ท่านผู้ฟังทัางหลายสาหรับวันนี้ก็คงมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลกตามเดิมสาหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาข้ออีกอันหนึ่งซื่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนา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 คิดว่าพระพุทธเจ้าท่านาบอกว่าไม่ถูกความห่วงในที่นี้ไม่ได้หมายความมาห่วงในฐานะที่ต่างคนต่างหามาได้ให้มีความห่วงใยกันในฐานะที่มีความสุขหรือความทุกข์ถ้าเรามีพัญญาพัญญาต้องการความอบอุ่นจากสามีสังเกต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 ไม่ใช่มีเมียน้อยถ้ามีเมียน้อยก็ดีพัญญามีความสุขก็มีคนเดียวต้องมาเอิญสามมีถ้าเป็นคนมีเมตตาดีเห็นหญิงอื่นไร้คู่ครองเพลงว่าอย่ ง, งหอยอย่างเหาเธอเลยตั้งท่าเป็นคนมีเมตตาไปเอาหญิงอื่นมาเป็นพัญญาใหม่ รากดสรางเงินในบ้านนับร้อยล้านไม่ได้เป็นเครื่องบรรุงใจให้มีความสุขสำหรับพัญยาเลยเป็นอนุว่าท่านมีแต่ความทุกข์มีแต่ความระทมบางรายสามีส่งเดือนเงินให้ใช้เดือนน้าต้องหกเจ็ดหมื่นแต่ว่าสามีไปมีเมียเล็กๆไปหลายคน ไปดูคนเบอร์เพศนี้คิดว่าจะมีความสุขท่านก็เลยเงินหกเจ็ดหมื่นแล้วมานั่งเล่นไพ่แก่กลุ่มมาได้นสาสมเอาไว้ถามว่าทำไมยิงทันยางงั้นท่านก็บอกว่ามันกลุ่มถามว่ากลุ่มตอนไหนกลุ่มที่ตอนที่สามมีมีมีเมียมากไม่ใช่มีเมียน้อย ดูเถิดที่ขึ้นชื่อว่าฐานะความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าจะมั่งคั่งสมบูรณ์ที่พูดมาเมื่อสักครู่ว่าสามีเป็นชั้นโถพัญญาเป็นชั้นเอกมีเงินเดือนมากกว่าหรือว่าสามีเป็นรองอธิบดีพัญญาเป็นรัฐมนตรีมีเงินเดือนมากกว่ามีรายได้พิเศษมากกว่าก็จงอย่าคิดว่าเขามีความสุขความสุขที่พัญญาต้องการก็คือความอบอุ่นในครอบครัว สำหรับบุตรเราทีดาก็เหมือนกันก็ต้องการความอบอุ่นความเอาใจใส่ของบิดาเป็นสาคัญเพราะว่าเป็นพ่อบ้านถ้าเราไปพูดกันถึงคนธรรมดาคนที่เขารักลูกรักเมียต้องการให้ลูกเมียมีความสุขเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้คืนหนึ่งไม่เป็นคนโหดร้าย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 พร โ, โกงเขาชาาบ้านเขาก็เกลียดทำหน้าทั้งสองอย่างในชาบ้านเขากเกลียดเท่านั้นแหละเธอจับได้มีโทษติคุกติดตารางก่อนจะติคุกติดตารางก็ต้องสู้คดีกัน <c oughs> สร้างความหวัน่นความสะทานสูญเสียทรัพย์สินที่พึงบำรุงลูกบำรุงเมีย ไปเสียให้แกเจ้าหน้าที่ที่ผู้รับเจ้าหน้าที่นี่ก็หมายถึงว่าจเพาะเจ้าหน้าที่ที่รับเจา้าที่ที่ไม่รับไม่เกี่ยวและไม่แคนั้นก็เสียแกท่านนายบรรทุกผู้แก่ต่างความสูญเสียทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจะมาเลี้ยงลกูกเลี้ยงเมียมันก็จะมีความสุขตัวเองก็ไม่มีความทุกข์นี่เขาต้องเว้นอย่างนี้คนรักลูกรักเมีย แล้วในการอิสระคนรักลูกรักเมียเราก็ต้องมีเมียน้อย <c oughs> อย่าไปมีเมียมากก <c oughs> อว่ามีเมียน้อยก็คือมีแต่เมียคนเดียวไม่มีเมียมอื่นแล้วไม่ต้องมีแถมไม่ต้องมีเมียเก็บไม่ต้องไปเห็นใจคนอื่น เพราะว่าก่อนที่เราจะแต่งงานกันเราได้ให้สัญญากันไปแล้วว่าเราจะรักกันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะประครับประคองกันให้มีความสุขถ้าเราไปมีเมียมากข้าบางทีข้าวมันมันก็จะมีกินเหมือนกันพราออะไรไปบันนลบันนลเขาโมาโห ว, ว่าเป็นคนเจ้าชู้เ้าบอกข้าวหมดแล้วมาบันนีบันนีเขาบอกข้าวหมดแล้ว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 ท่านเว้นจากเมีพิเศษจะต้องการเข้าไปหาเมียประจำเมียประจำท่านโมโหท่านก็นเลยใส่กลอนบ้านไม่ยอมให้เขา้าเรียกเท่าไรเท่าไรเมียก็ไม่เปิดกลอนให้เป็นอันว่าท่านวันนั้นท่านก็ต้องนอนตากอยู่ไม่มีวงจะกลางจะต้องแช้อากาศเป็นที่รักใช้ความหนาเป็นเครื่องประคับประคองมีความช้ำใจมันก็เกิดไม่กัน ฉะนั้นแต่ละห่วงบทภัญญาของท่านก็จงเป็นคนมีเมียนน้อยอย่ามีเมียมากมี่การใช้สับของคนพูดนี่มันจะขวางใจขวางหูชาว บ, บ้านมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ขอพูดตามความเป็นจริงคนมีเมียหลายคนบอกว่ามีเมียนน้อยมันนี้ที่ไหน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 ในคนที่มีความห่วงลูกห่วงเมียก็ต้องมีคนมีวาจาเป็นสัจจะอย่ยาโกหกลูกอยาก่าโกหกเมียเสีงมีวาจาอ่อนหวานชุ่มชื่นพูให้รับความชื่นใจมีอะไรเป็นที่ผิดพ้องหมองใจลูกทำผิดเมียทำผิดก็เติบ ต, ตักเตือนด้วยความหวังดีใช้วาจาดีๆพูดกันฟังง่าย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 ทราบสินเรื่องหลายเรานั้นที่เราไปซื้อมากินข้าเมื่อเมาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างลงเมาี่อย่างเดียวทุกเสิ่งทุกอย่างเป็นของเล็กเรื่องคุกเรื่องตารางในมันเล็กไปหมดหมายความว่าฉันมีอำนาจที่จะเข้าคุกเข้าตารางเมื่อไรก็ได้ดีไม่ดีแขนขาที่มีไว้ใช้เป็นประโยชน์ฉันจะให้คนอื่นตัดเส้ขาดเมื่อไรก็ได้ ชีวิตที่ควรจะทรงต่อไปก็สามารถที่จะปรีตายเสียลอะไรก็ได้เพราะความเมาี่เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์แต่าการอย่างนั้นเกิดขึ้นลูกเรามีจะความมีความสุขแล้วมีความทุกข์รายการที่สองถ้าเกิดเรื่องเกิดราวก็ต้องเสียเงินเสียทองเป็นกรณีพิเศษ ก็เอาเงินที่มีไว้สำหรับบำรุงลูกบำรุงเมียบำรุงตัวไปเสียแก่คนอื่นเขาทำงานมาเกืบตายไปเสียเงินในเขาก็ความเมาเป็นสำคัญแลเนินการต่อไปถ้าไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรกินดีดื่มดีดื่ ม, ด, มดื่มประเภทชั้นดีหรือ ว, ว่ากินแล้วก็ น, นอนไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่ไปพักไม่ไปผ่อนไม่ไปอาบไปอบไปนวดไม่เป็นคนขี้เมื่อยไม่เป็นคนขี้ร้อน กินแล้วก็กลับบ้านจะรู้สึกว่าคนประเภทนี้นั้นกินดีเมาดีแต่อย่าลืมว่าเงินที่เสียไปข้าสุราเมีไรนี่วันละเท่าไหร่ตั้งบัญชีเทวัยปีหนึ่งสามรอยหกสิบห้าวันมันเท่าไหร่สิบปีเท่าไหร่ยี่สิบปีเท่าไหร่สามสิบปีเท่าไหร่กินมากี่ปีตั้งงบเข้าไว้ เงินจำนวนนี้ถ้าเราไม่จับเราจะนํามาจับจ่อยจ่ายใช้สอยอย่างอื่นเป็นการบำ ร, รุงความสุขภายในเราจะมีความส บ, บายมากขึ้นหรือว่าเราจะลําบากมากลงเพราะเงินจํานวนทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่จ่ายในการดื่มสุราเมรัยจะกลับมาใช้ในบ้านมีคนก็จะมาคนหนึ่งเธอเป็นเด็กเป็นนายทหาร เป็นลูกศิษยมานานสมัยหนึ่งเธอดื่มสุราเมีไรเกือบเกือบจะต้องถูกไล่จากผู้บังคับบัญชาเธอเลยไปขอร้องผู้บังคับบัญชาว่าเรื่องเขาวินัยก็เป็นเรื่องเขาวินัยแต่ว่าอย่าเพิ่งให้ออกเลยเอาจจะเพียงลงโทษไม่สิ้นอันเดือนอก็ขอแล้วกักบริเวณจะขังก็ได้ แต่ก็ให้สัญญากันไว้ว่าถ้าเมาต่อไปแล้วก็ขอให้ไล่จากงานทันทีเพื่อ น, นั้นว่าเธอก็ยอมรับพวกรองข้ารบรรชา ก, ก็อนุโลมตามแต่าโทษของเธอนั้นมันก็ไม่ถึงกับมากมายเกินพอดีนักแต่เขาเห็นว่าเธอเมาขนาที่เป็นนายทหารนี่ต้องเป็นหนี่ในสิบนี่มันก็แยกกันอยู่แล้ว เสียศักดิ์ศรีคนนายทหารลูกเมียก็เต็มไปได้วยความลำบากหลังจากนั้นเธอเริ่มเลิกดื่มสุราไมไร่หนึ่งปีผู้พูดไปพบเธอเข้าเธอก็อวยความดีเธอบอกว่าเลิกดื่มสุราสิ่ปีเดียวมีวิทยุให้ลูกฟัง มีโทรทัศน์ให้ลูกดูมีสินเนี่ยเคยปรากฏมีก็ไม่เคยมีมีความอยู่เป็นสุขสบายยังได้ย้อนถามเธอไป ว, ว่าเวลานี้รู้สึกตัวได้ย่างว่าเป็นคนนมันดีกว่าเป็นสัตว์ติลฉันเธอก็ก้กลมลงกราบวอาดีจริงๆเขารับผมก็ยอมรับ ว่าคำตักเตือนเดิมที่ตักเตือนไว้นะั่นมีประโยชน์ที่มันเป็นโทษกับพระผมฝาฝืนต่อตอนนี้ไปตลอดชีวิตจะไม่ขอเดิมสุราเมไรต่อไปก็ขอโมทนาก็เลยโมทนาให้เธอและคนที่มีความห่วงลูกห่วงเมียไปให้เป็สุขก็ต้องประกอบกด้วยเมตตาความรักใจรักลูกรักเมียเป็นปกติ กลนามมีจิตคิดสงสารตั้งใจไว้เสมอว่าจะสงเคราะห์ทุกอย่างเท่าที่ความสามารถจะมีได้ให้เธอมีความสุขกันและอารมณ์อิริศยาอาทันก็ต้องไม่มีในจิตมีความรู้สึกในคิดว่าลูกหรือเมียถ้าเขายังมีงานมีการมีศักดิ์ศีใหญ่มากเท่าไรเราจะดีใจกับเธอไม่อิจฉาอิริศยาเธอ แล้วก็อย่าทิ้งความละเอียงเที่ยงทำสี่ประการคือไม่ลําเอียงเพราะความรักไม่ลําเอียงเพราะความโกรธไม่ลําเอียงเพราะความหลงไม่ลําเอียงเพราะความกลัวให้การลําเอียงสี่ประการนี้ไม่แนะนำเอาแต่เพียงว่าตั้งใจให้มันตรงเท่านั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามารที่สอนที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าอย่างนี้ ท่านเห็นได้อย่างว่ามันเป็นความดีหรือไม่ดีควรจะรับปฏิบัติตามหรือไม่ในข้อต่อไปองค์สมเด็จไระจอมไตกรกล่าวว่าจงอย่าทำการงานให้ข้างค้างา น, นว่าการงานทุกอย่างที่เราไปทำเนี่ยอย่าปล่อยให้การงานมันค้งังมีอะไรทําให้หมดที่ผู้บังคับบัญชากำหนดให้ทำ พยายามทํานจิตเต่ก็เต็มความสามารถมีฉันทะคือความพอใจในกายงานกายงานในหน้าที่มันจะมากปัญญาน้อยยังไงก็ตามทีไม่ทิ้งกายงานให้ค้างรับคําสั่งให้ทําเท่าไหร่ทําหมดเท่านั้นฉันทะวิริยะมีความเพียรบากบันถึงแม้ว่าันจะหนักสะเทียงไรก็ตามที ย่ายากจะลำบากเท่าไรก็ตามทีก็คิดว่าการงานประเภทนี้นั่นแหละที่จะช่วยให้เรามีความสุขผลที่เราจะได้มาเป็นเงินเป็นทองก็เพราะอาศัยกายงานจะเป็นขลຈการจะเป็นพ่อค้าจะเป็นลูกจ้างจะเป็นช่างไรชนาก็ตามงานอันใดที่ควรจะทําเสร็จในวันนั้นที่กําหนดไว้ต้องทําให้เสร็จตามนั้นนี่ประการหนึ่ง ที่จะสนใจสักไฟในกิจการงานนั้นคิดไม่เสมอว่าการงานประเภทนี้เราจะต้องทำโดยดีไม่ยอมละเที่ยงในการงานมีมังสายใช้ปัญญาพิจารณาทีก่ก่าที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างจะเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างเป็นค้าราการเป็นพ่อค้าก็าะบนดีจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ตาม ก่อนที่จะทำงานประเภทนั้นลงไปต้องใช้ปัญญาช่วยพิเจรณาดูเสก่อนไอการงานที่เราจะลงมือทำไปเนี่ยมันถูกแล้วมันผิดมันมีผลดีแล้วมีผลร้ายมีผลดีมากแล้วมีผลดีน้อยเราเลือกเอาด้านมีผลดีมากด้านมีผลดีแล้วก็ต้องเลือกเอาดีมากไม่ใช่ดีน้อย ถ้าทุกคนปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระสงฆ์เสวัชมิโสภาคแนะนํามาอย่างนี้ท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสานาช่วยโลกแล้วอย่างโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ในขั้นต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําว่าควรให้หนึ่ง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 ถ้าต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ในโลกนั้นโลกนี้จะมีความสุขแล้วก็มีหรือว่ามีความทุกข์นั่งคิดกัให้โดยดีต่างคนต่างให้กันใครขัดสนจนยากขัดข้องเลยอะไรก็ตามเรามีเราไม่อยากเกียดเต็มใจให้พร้อมใจให้ ต่างคนต่างให้ในคนผู้ให้ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะมานั่งรับความช่วยเหลือเขาตลอดเวลาเพราะต่างคนต่างสงเคราะห์ต่างคน it, S. <S ต่างช่วยเหลือต่างคนต่างเกื้อกูลเส่งกันเลยกันเขาขาดเกลือเราให้เกลือเขาเราขาดพริกเขาให้พริกเขาขาดน้ํำเราให้น้ําเขาขาดข้าวเขาให้ข้าวต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ไม่เอาเปรียบเส่งกันเลยกัน โลกนี้มีความสุขและมีความทุกข์และตั้งกล่าวว่าต่างคนต่างจงประพฤติธรรมธรรมแปลว่าความดีส่วนใดก็ตามที่กฎระเบียบบังคับวางไว้พระประเพนีมีอยู่เราปฏิบัติตามนั้นทุกอย่างการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีมีแต่การเกือ้อกูลซึ่งกันและกัน มีแต่ความรักความสงสารเส้นกันแลกกันไม่มีความอิจฉาทิ่ิยานเส้นกันแลกกันต่างคนต่างยอมรับนับถือสิทธิเส้นกันแลกกันถ้าทำได้อย่างนี้นั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์เนื้อข้อต่อไปท่านกล่าวว่ายงสงเคราะห์ยากทั้งหลายให้มีความสุข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 ไม่ใช่สงเครคนเดียว <c oughs> ต่างคนต่างให้ต่างคนต่า ง, างสงเคราะห์กันเอ้เรื่องที่จะต้องมาตั้งจัดสรรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งและกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเป็นนายเราทรัพย์สินทั้งหลายในโลกที่คนทั้งหลายได้ทั้งหมดเอามาแบ่งปันกันมันก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเจ้าไม่ต้องมีนาย <c oughs> เมื่อคนทุกคนเกือ้อกูลซึ่งกันและกันอย่างนี้ทั้งหมดทั้งโลกโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วลุกล่าวต่อไปว่าการกระทาทุกอย่างต้องไม่มีโทษคือไม่ทำงานที่มันมีโทษก็ได้กับทำงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายฝ่ฟาฝืนระเบียบฝ่ฟาฝืนประเพณีนิยม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 แ้วต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าจงงดเว้นจากการทำบาปคำว่าบาปแปลว่าความชั่วอะไรเราที่เป็นความชั่วสิ่งอะไรที่เราไม่ต้องการบ้างหนึ่งการทำลายร่างร่างกายเราสองการประหัตประหารชีวิตของเราเป็นข้อเดียวกันอันดับที่สอง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 แล้วก็ทำความดีในด้านความรักความสงสารความเมตตาปราณีสิ่งกันละกันถ้าทุกคนทำเว้นจากความชั่วประพฤติความดีตามนั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือมีความทุกข์ละข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมทายกล่าวว่ายงสำมรวมคือว่าเระมะามต้วังเว้นจากการดื่มน้ำเมา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 ในบริการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมใจกล่าวว่าจงไม่ตั้งอยู่ในความประมาทข้อ น, นี้เอาเก็บไว้พูดกับวันหน้าก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้มองดูเวลาบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายเวลามันหมดใช้แล้วพูดต่อไปไม่ไหวก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผนผ ล, ลจงมีแด่ท่านผู้ฟังและทุกท่ารับฟังทุกท่านสวัสดี